เจุกะหนึ่งกุศลติกะ 36. สามสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นอกุศล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 ย่อเหมือนกับสัพพิยะทุกกะเก้าสนิทัสนทุกกะหนึ่งกุศลตุกะสามสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอากุศลเหมือนกับกุศล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 อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาใจสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิว่าด้วยอำนาจปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสิบเอ็ดรูปีทุกกะหนึ่งกุศลดึกกะสามสิบแปดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นอกุศล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 โลคิยะทุกกะหนึ่งกุชละดุกกะสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งเป็นกุศลเกิดข LE ึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยเหตุถูปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ <S <S ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโลคิยะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ 13. เจนจิวินยยญทุกกะ หกุศลติกะสี่สิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีก้าววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิธเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีกาววาระจุลันตระทุกกะจ สิบสอาสะวะทุกกะหนึ่งกุสลตึกกะสี่สิบอ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอภญากฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบห้าสาสวะทุกกะหนึ่งกุศลตะกกะสีสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ 16. อาจวะสัมปยุตตทุกกะหนึ่งกุชละตุกกะ 43. สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุดด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิเจอาสวะสาสวะทุกกะหนึ่งปุสละเตระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาศวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะแต่ไม่เป็นอาศวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาจวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอพยกฤตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอภยกฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาชวะอาจวะสามยุตตทุกกะเหมือนกับอาจวะสาจวะทุกกะสิบเกอาจวะวิปยุตตสาสาจวะทุกกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบห้าสภาวะธรรมที่วิปยุจักอาจวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ <After> all, ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ซึ่งไม่เป็นอภิญากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสองวาระอาจวะโคจกะจบยี่สิบสัญโยชนะทุกกะเป็นต้นหนึ่งกุศลตึกะสี่สิบหกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุทปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุทปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระห้าสิบห้าสารมณทุกกะหนึ่งกุศลติกกะสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู repair, alcohol, aciones, onun, ้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากรอาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระห้าสิบหกจิตตทุกะหนึ่งกุศลตึกะสี่สิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุถูปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นอัภยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอัภยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยเหตุถูปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ห้เจ็ดเจตสิกปะทุกกะหนึ่งกุศลตึกะ4ีสิเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพนราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก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 จิตสัมยุญตทุกะหนึ่ง mm กุศลตะทุกะห้าสิบสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยจิตซึ่งเป็นอกุศล เกิขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอัพญากริปเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นโดยอำนาจปัจจัยห้าสิบเกจิตตสังสัท ธ, ธุกกะหนึ่งกุศลตึกะห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รักกับจิตซึ่งเป็นกุศล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 ด้วยอํานาจปัจจัยหกสิจิตตสมุทฐานทุกกะหนึ่งกุศละตะกะห้าสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพญากฤิปเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัยหกสิบเอ็ดจิตตสหภูทุ ก, กะหนึ่งกุสลติกะห้าสิบสาม สภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เก MM ิดพร้ <carbs correctly S 1> อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึง อวิคตตะปัจจัยมีกลาวาระบทที่มีอัพยากริปเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นโดยอำนาจปัจจหกสิบสองจิตานุปริวัติทุกะหนึ่งกุศลติกะห้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีกาววาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยในกลาววาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจัยในกลาววาระบทที่มีอัพยากฤิตเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นโดยอำนาจปัจจัยหกสิบสาม จิตตสังสัตถะสมุทฐานทุกกะหนึ่งกุศลตึกะห้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่รักควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ระควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจัจเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพญากฤิเป็นโมลมีสามวาระเท่านั้นโดยอำนาจปัจจหย64จิตตสังสัธะสมุทฐานะสหภูทุกะ 1. กุสลติกะห้าสิบหสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปใจมีสามวาระและถึงอวิคตปัจปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัควกับจิต มีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ระบพรงกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจใจเหตุุปปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระบทที่มีอพยกฤิตเป็นมมลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจหสิห้า จิตตสังสัทถะสมุทฐา น, านุปริวัติทุกะกะหนึ่งกุศลตุกกะห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาสัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุถปัจจัยมีสามวาระละถึง อ, อวิคตปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระกควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุุปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพยากฤิปเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นโดยอำนาจปัจใจหกสิบหก อาเชติกะทุกกะหนึ่งกุศลติกะห้าสิบปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกซึ่งเป็น อ, อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็น อ, อกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกซึ่งเป็น อ, อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจเหตุัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอภิญากริเป็นโมลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจตุปัจหกสิบเจ็ด อุปาทาทุกะหนึ่งกุศละถูกะห้าจุเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่แช่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพยากฤิปเป็นมูลมีหนึ่งวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัยหกสิบแปดอุปาทินทุ ก, กะหนึ่งกุศลหรือกะหกสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปปัจจใจมีหนึ่งวราระละถึงอวิคตะปะจัจจใจมีหนึ่งวราระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย เทตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอัพยากลิปเป็นมูลมีหนึ่งวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัยมหันตระทุ ก, กะจบ ทวิโคจกะหนึ่งกุศลตึกะหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัย เห hey, ตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเ hey, หตุปัจจัยเห hey, ตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อแปดสิบสามทัศเนนะปหาตภาพุกะกะหนึ่งกุสลตึกกะหกสิบสอง สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธร ร, ร ม, มทีม่มไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ <dijo> ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ <citation> ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยสโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นอภพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอภิยากฤิต เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปดสิบสี่ภาวนายปะปหาตพาทุกะหนึ่งกุศละติกะหกสิบสามสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย เห hey ตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อ, อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเ พ, พราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสพองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิต หาสายสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอัภยากฤตเริดขึ้นพระเหตุตัวปั จ, จใจเหตุ ป, ปัจจัยมีสองวระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวระแปดสิบห้าทัศเนนปภาหาตัภะเหตุตุกะทุกะหนึ่งกุศลตกะกะหกสิบสี่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุปัจจัย ม, มีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุห ต, าามมต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้ น, น, นเพนราะเหตุตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง วิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระในอัพยากตะวาระทุกแห่งพึงนับด้วยอำนาจปัจจัย 86. บภาวนายปหาตัพภะเหตุตุกะทุกะหนึ่งกุศลตึกะห5สิห้าสภาววะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบืองบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบืองบนสามซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปาใจเหตุตุปจาใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพยากฤิปเป็นมูลมีสองวาระเหตุตุปจาใจมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระแปสิบเจ็ดสวิตตะกทุกะหนึ่งปุชละติกะหกสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตตกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้ ight, นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตตกซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็น อ, อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจเหตุัจปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพญากฤิปเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจตุปัจแปดสิบแปดสวิจาระทุ ก, กะหนึ่งกุศลติกะหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารซึ่งไม่เป็นกุศล อาศ Eu, yes. ัยสภาวะธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีวิจารณซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ บทที่มีอัพยากริเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย8ปดสิบเก้าปีเกะทุกะหนึ่งกุศละเกะหสิบแปสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย<าร>เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคุตตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ บทที่มีอภยากฤิปเป็นโมลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย90ปีติสหกตะทุกะ1กุศละตะุกะ69สภาวธรรมที่ไม่สหรตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพยากฤิปเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย91สุขะสหคตาทุกะ1กุศลติกะ70 สภาวธรรมที่ไม่สห่รคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สห่รคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและที่ไม่สัรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นพระเหตุตุปปัจจัยเหตุปปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรรคด้วยสุขซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรรคด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรรคด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สหวรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหวรคตด้วยสุขและที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย9าสองอุเปฆาจหากาตาทุกกะหนึ่งกุศลตะกะ สภาวธรรมที่ไม่สหรคโดเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคโดเบขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคโดเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรฆโดเบขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคโดเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคโดเบขา และที่ไมส่สหรคตูเบิขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหโรคตูเบิขาซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตูเบิขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตูเบิขาซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคโดเบขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคโดเบขาซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคโดเบขาและที่ไม่สหรคโดเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ บทที่มีอภิากฤิบเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย